ชีวิตของผู้ที่มีสติโ ค, โครจรไปในพุทธคุณมีสติโคโจรไปในธรรมคุณมีสติโ ค, โครจรไปในสังฆคุณเนี่ยนะ <c oughs> การโคจรเหล่านี้เนี่ยเป็นการโคจรที่ประเสริฐนะที่เรียกว่าอนุสตานุตรยาใช่ไหมเป็นการระลึกที่ไม่มีการระลึกอย่างอื่นยิ่งไปกว่านั่นะ ถามว่าทำไมการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์เนี่ยนะสาวกของพระพุทธเจ้าจึงเป็นอนุสตาอนุตรยะเนี่ยนะก็คือปกติพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีปกติมีความเกิดเป็นธรรมดาใช่ไหมมีปกติมีความแก่เป็นธรรมดา ม, มีปกติมีความตายเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมด า, ม, า, ม, า, รร ม, ดามีความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นต้นเป็นธรรมดา ทีนี้ถ้าหากว่าเราไประลึกถึงสิ่งธรรมดาแบบนั้นมันดีตรงไหนสมมุติถ้าหากว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไปนึกสิ่งที่แก่เป็นเป็นธรรมดาไปนึกถึงสิ่งที่มีความป่วยเป็นความตายเป็นนึกถึงสิ่งที่มีความพลาดพาเป็นต้นการระลึกเหล่านั้นเนี่ยจะมีอะไรนอกจากเหตุแห่งโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นเหตุแห่งชาติสงสารเป็นเหตุแห่งความเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นแต่ขนาดเดียวกันถ้าหากว่ามาละลึกตามคนของพระพุทธเจ้าละลึกถึงคนของพระสงฆ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นแล้วจากความเกิดเป็นผู้พ้นแล้วจากความแก่พ้นแล้วจากความตายพ้นแล้วจากโสกะปริเทวทุกโทมานัตและอุปาญาตเป็นผู้พ้นแล้วจากวัฏทุกข์โดยปการทั้งปวงอันสติของบุคคลใดโคจรในพระพุทธเจ้า เขาก็จะมีส่วนแห่งความพ้นทุกข์ตามพระพุทธเจ้านะสติเขาโครจรไปในพระสงฆ์ทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมถะวิปัสสนาสมบูรณ์ด้วยมรรคผลนิพพานสมบูรณ์ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริง mm hmm. เมื่อสติโครจรไปในคุณของพระอริยสอเหล่านั้นเราก็มีส่วนแห่งคณเหล่านั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้มีศีลเราเนี่ยชื่นชมผู้มีศีล แสดงว่าเราฝักฝ่ายในคุณคือศีลอันเราก็มีส่วนแห่งศีลด้วยพระเราชื่นชมท่านผู้มีจิตสงบเนี่ยนะสงบไม่มีบาปอากุศลกลุ่มุมบาปอากุศลไม่ครอบงำเราก็ชื่อว่ามีส่วนแห่งการมีคุณคือสมาธิด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยปัญญารู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อาสาธา่อาอธินวะเป็นต้นของวัตทุกเนี่ยนะ เราก็มีส่วนที่จะตรัสรู้คุณธรรมเหล่านั้นตามพระสงฆ์ด้วยพันการละลึกเหล่านี้เนี่ยท่านบอกว่าเป็นไปเพื่อความเบืน่ายเป็นไปเพื่อความคำลายคลายกำนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหรืออีกในหนึ่งบอกว่าการตามละลึกถึงพุทธานุสติสังขานุสติเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกาปริเทวะ เพื่อดับไปแห่งทุกข์และโทมนัทเพื่อบรรลุญาตธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งดงั้นการระลึกอย่างนี้เนี่ยเป็นการระลึกที่ประเสริฐแล้วก็เป็นการเจริญสติสติตัวนี้นะสติสติก็หนึ่งในมรรคแใช่ไหมหนึ่งในองค์มรรคแปดดังนั้นสติเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นสติสัมโพชงที่เกื้อกูลต่อการตรัสรู้ด้วยแล้วสติโคจรเหล่านี้ที่เป็นไปในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เกิดปีติและ ปราโมทเบื้องต้นนั้นผู้ที่เจริญพุทธานุสติสังขานุสติเป็นต้นเนี่ยจะไม่ค่อยปีติปราโมทสักเท่าไหร่เบื้องแรกคือมันประกาศอย่างนี้ว่าเรานี่ศีลไม่ดีไปและลึกถึงคนที่มีศีลดีเราจะยิ้มไหมถ้าว่ารวมๆแล้วก็ไม่ค่อยยิ้มเราเป็นคนฟุ้งซ่านไปนึกถึงคนมีจิตตั้งมั่นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ปีติเท่าไหร่นะเราเป็นผู้ไม่มีปัญญา ไปแล้วลึกถึงผู้มีปัญญานี่ก็ทำให้เราไม่ค่อยปีติสมมานัสสัตเท่ร่อแต่ถ้าตอนหลังเราเข้าใจคุณของท่านมากขึ้นตัวเราเองมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นกุศลจิตกุศลธรรมทั้งหลายเจริญมากขึ้นตอนหลังก็จะเป็นที่ตั้งแห่งปีติและปราโมทเนึกถึงท่านเมื่อไรใจก็สบายนะหรือเป็นเป็นความสบายใจความสบายใจนั้นมาจากโสมนสสมนัสสุมณะ โศแปลว่าดีมานะแปลว่าใจก็คือเป็นผู้มีใจดีมีใจเป็นของตนมีใจเบิกบานความเบิกบานเหล่านี้น่ากลัวไหมเออนี่มันความสุขนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจเจริญไปอย่างนี้เดี๋ยวไปติดความสุขเข้าะนะพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวสุสสขที่ไม่มีโทษสุขที่เกิดจากเนคคัมมะสุขที่เป็นไปโดยกุศลธรรมเหล่านี้เป็นสุขที่ไม่ควรกลัว เป็นสุขที่ควรสแสวงหาเพราะว่าผู้ใดสมบูรณ์ด้วยสุขเหล่านี้เข้าจากแทงตลอดอมาตะนิพพานที่เป็นสุขอย่างยิ่งได้เพราะว่าการตรัสรู้อริยสัจธรรม ท, ที่พ้นทุกนั้นตรัสรู้ด้วยสุขและสมนัตไม่ได้ตรัสรู้ด้วยทุกและโทมนัตเลยไม่ใช่น้ําตาปริมแล้วก็นี้ทุกขนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเคยได้ยินไหมพระอรหันต์ท่านน้าตาปริมแล้วก็บรรลุ oh. ไม่มีมีแต่อยู่ด้วยสุขและสมนัต บริบูรณ์ด้วยปีติและปราโมท่านมีติมีปราโมทในการตรัสรู้ธรรมเมื่อเช้าที่ได้กล่าวถึงการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของสังขารทั้งที่เป็นอดีตสังขารที่เป็นอนาคตและก็สังขารที่เป็นปัจจุบันเราก็คงรู้วัตถุประสงค์จะไปเพื่อตัดอาลัยอาวร์ตัดความยื่อใยในสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีตแล้วก็เลิกหวังเลิกหวังในสิ่งที่เป็น อนาคตซะแล้วก็สิ่งในเป็นปัจจุบันทั้งมวลเหล่านี้ก็ไม่น่าเพลิดเพลินชื่นใจอะไระทบทวนอีกครั้งว่าถามว่าทําไมเราต้องตัดฉันราคาในหรือเรียกว่าตัดอาลัยอาวร์ในสังขารที่เป็นอดีตทําไมอย่างนั้นเหตุผลทําไมจึงต้องต้องเลิอกอาลัยอาวร์ในสังขารที่เป็นอดีตละ่ะซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่าเพลิดเพลินไม่ใช่หรือเอาควาน่าเพลิดเพลินไม่ใช่หรือเช่นความสําเร็จต่างๆ อะไรทั้งหลายแหละที่ ท, ทุกคนเข้าปรารถนากันก็ได้ประสบความสําเร็จเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นน่าเพลิดเพลินไม่ใช่หรือทําไมจึงไม่สอนให้อารยอาวรก็อย่างว่าถ้าเรียนเรื่องกรรมมาดีก็บอกว่าถ้าอารยถึงกรรมใดกรรมนั้นจะนําเกิดทีนี้สิ่งที่เราคิดถึงโดยมากมันก็ไม่ใช่บุญสักเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าไปนึกถึงสิ่งเหล่านั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นนําเกิดเราก็ไปไม่ดีอีกเห็นหรือถึงระลึกถึงสิ่งที่ดี ระลึกถึงบุญบุญที่เราทั้งหลายทำก็ทานศีลภาวนาที่เป็นกามาวจรเป็นการมาวจรก็นําเกิดมาเป็นแบบทุกวันนี้อีกอย่างดีนะเท่าทุกวันนะเพราะว่าสมัยนี้มันก็ดีไม่เกินกว่านี้ไปสักเท่าไหร่แล้วอย่างดีที่สุดก็ให้ผลคล้ายๆปัจจุบันแต่ปัจจุบันถามดูหลายท่านก็ไม่อยากจะเอาแบบเดิมอีกแล้วไม่รู้จะเอาอย่างไรดีกว่านี้อีกไม่รู้จะเอาอย่างไร เพนะการอาไลาอาวรณ์ติดข้องในปัจจุบันเนี่ยนะสามารถดึงกรรมเหล่านั้นมานําเกิดได้แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดในพบใหม่ได้ที่การมุ่งหวังสิ่งที่จะมีต่อไปในอนาคตความปรารถนาอนาคตต่อไปเนี่ยนะความปรารถนาเหล่านั้นเนี่ยเพื่ออะไรก็คือความปรารถนาทุกข์นั่นแหละความปรารถนาทุกข์นั่นแหละแล้วปัจจุบันที่เรากําลังเป็นอยู่ล่ะก็คือกองทุกขีดีนี่แหละ ในวิสุทธิมรรคท่านให้พิจารณาโดยอะไรนะอันนี้จะโตทุกขโตอ่ะนะท่านท่านจงพิจารณาขันทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเหล่านั้นนั่นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนนะก็มีวิธีพิจารณาตั้งเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้การพิจารณานั้นหมายความว่า ผู้ใดถนัดที่จะพิจารณาอย่างใดก็ได้แต่ที่พบที่เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยก็คือตามแนวอธิตตะปริยยสูตรหรือตามสูตรอื่นๆเนี่ยนะเช่นปฏิจจสมุปบาทสูตรก็เหมือนกันที่จะพูดถึงราติชรามรณาโศกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลก็มีด้วยประการดังนี้อันนี้เป็นสูตรที่พุทธพจน์ใช้บ่อยมากและก็อย่างอธิตตะปริยยสูตรใช่หม อธิตตาปริยสูตรก็คือเป็นสิ่งทั้งปวงเนี่ยเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมานัตและอุปาญาตอันนแม้แต่บางสูตรนี่ก็บอกว่าผู้ใดเพลิดเพลินในสิ่งนั้นก็คือชื่อว่าเพลิดเพลินใน ทุกผู้ใเดเพลิดเพลินในทุกก็ไม่พ้นชาติชารามรณะโศกาปริเทวะทุกขโทมานตและอุปายาหรือมิจฉาทิฏฐิทั้ททงหลายก็เป็นเหตุให้เกิดชาติชารามรณะโศกาปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตทั้งหมดนี่คือลักษณะของตรีรณปริญญาเหมือนกันอาจจะแสดงพิสดารหรือไม่พิสดารก็แล้วแต่แต่ว่าวัตถุประสงค์เหมือนกันคือให้เห็นความอะไรเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาของ สังขารทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนั่นเองทีนี้เมื่อเรามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วเข้าใจเป็นอย่างดีเขาบอกว่าวิปัสสนาปัญญาของผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงเนี่ยนะท่านบอกว่านึกถึงสังขารใดใจไม่หดกลับไม่มีทำไมไม่หดกลับ เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าไม่หดกลับเนี่ยอารมณ์นั้นจะดึงไปสู่ชาติชารา ม, มรณะโศกกาปริเทวะทุกโธมรณะและอุปาญาตมันก็ต้องหดกลับอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนอย่างว่าเรายื่นมือไปจับสิ่งใดแล้วก็ดาบฟันฉับลงมาแล้แต่รีบหดมือกลับไหมทําไมเพราะว่ามือขาดแน่งานนี้เลือดทะลักแน่เลือดพุ่งแน่ฉันใดอันนี้ก็ยังไม่น่ากลัวสักเ<อ>ท่าไหร่นะเอื้อมมือไปจับสิ่งใดแล้วก็เห็นว่าดาบฟันฉับเข้ามาแล้วหดมือกลับ อันนี้ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่ายื่นจิตไปที่ใดแล้วก็นำไปสู่ชาติชรามรณะนำไปสู่อบายทุกขติวินิบัตินรกเป็นต้นเนี่ยใจท่านจะรีบม้วนกลับสัปปานใดนะผู้ที่มีปัญญาเข้ามองไกลมากเมื่อเขามองเห็นไกลมากจะคิดถึงสิ่งนั้นและอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะด้วยอนุภาพของสติปัญญาท่านคานวณท่านวิจัยครครญเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงเห็นภายในสังขารทุกชนิด ว่าสังขารทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งภัยเพราะอะไรเพราะน่ากลัวเนี่ยนะอารมณ์ทั้งหลายจะเป็นของที่น่ากลัวเมื่อน่ากลัวพักท่านจึงจิตของท่านจึงปรารถนาที่จะหลีกออกจากสิ่งที่น่ากลัวเหล่านั้นทีนี้ก็จนกว่าจะประสบกับสิ่งที่ไม่น่ากลัวนั่นแหละจึงจะหลีกออกจากสิ่งที่น่ากลัวได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะเมื่อตรัสรู้นิโรธสัจจตรัสรู้พันิพานแล้วนั่นแหละ จึงจะหลีกออกได้อย่างแท้จริงถ้ายังไม่เห็นพระนิพพานก็ก็ยังสแสวงหาต่อไปว่าความสงบอยู่ที่ไหนความสงบอยู่ตรงไหนเห็นหรือยังตกลงว่าความสงบอยู่ที่ไหนอยู่ที่นิพพานแล้วนิพพานอยู่ตรงไหนที่ไหนกรรมาฐานหนึ่งเขาบอกว่าอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเอาสูตรเขามีอยู่ว่าถ้าตัณหาเกิดที่ไหนบุคคลถ้าจะละละตัณหาก็ละที่นั่นนั่นแหละ ถ้าตัดชันนราคาในสิ่งเหล่านั้นได้ก็ประสบแต่ถ้ายังเยื่อใยในผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็ไม่ใช่ฐานะที่จะประสบกับความสุขความสงบที่แท้จริงทีนี้การพิจารณาสัพพะสังขารทั้งมวลทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันดังกล่าวว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งชาติฉรามรณโะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสโปายาตอย่างนี้แล้ว สิ่งที่ไม่ควรลืมที่จะพิจารณาต่อไปเนี่ยนะก็คืออะไรว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดชาติชารามรณะแล้วชาติมันเกิดได้เกิดได้ยังไงความความเป็นไปแห่งชาติมีอย่างไรมันไม่ใช่ไอ้คำว่าเออสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเกิดแห่งชาติชารามรณะโศกกะปริเทวะด้วยอำนาจความคล่องปากเฉยเฉไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งชาติอย่างไร ตกลคำว่าชาติเนี่ยเป็นชื่อของความเป็นไปแห่งวบากและกรรมชรูรเราพูดถึงกรรมชรูปก่อนว่ากรรมชรูรเกิดได้อย่างไรก็เกิดเมื่อปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงนามรูปก็อย่างลงนามรูปนะโดยเฉพาะรูปรูปก็อย่างลงคือ มหาภูตรูปสี่ก็อย่างลงมหาภูตรูปสี่บางอย่างเป็นเหตุใกล้แห่งปฏิสนธิหัตยวัตถุมหาภูตรูปสี่บางอย่างเป็นเหตุใกล้แห่งกายปะปัสสะมหาภูตรูปสี่บางอย่างเป็นเหตุใกล้ของภาวะทัศกะเนี่ยนะเป็นภาวะเป็นเหตุใกล้ของภาวะรูปเพราะว่าในปฏิสนธิขณะมีรูปอยู่สามสิบรูปใช่ไหมอะไรบ้างหัตยะ ท, ยาทาัศกะเนี่ยนะ กายทัศกะและภาวะทัศกะกรรมในอดีตนั่นแหละเป็นตัวสัตว์ให้นามรูปเหล่านี้เกิดขึ้นอะแล้วก็ด้วยอํานาจปฏิสนที่เป็นเหตุปฏิสนที่จิตเป็นอินทรียปัจจัยอะโลพะอะโทสะอะโมหะละณะที่นั้นเป็นเหตุปัจจัยเป็นเหตุตัปัจจัยให้รูปเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าในปฏิสนที่ขณะสิ่งเหล่านี้เป็นสหาชาติภัสสหาชาติธรรม เป็นไปกับสหชาติชาตินามเป็นปัจจัยแก่รูปรูปเป็นปัจจัยแก่นามนามเป็นปัจจัยแก่จิตจิตเป็นปัจจัยแก่นามนามเป็นปัจจัยแก่รูปรูปเป็นปัจจัยแก่นามก็เป็นปัจจัยกลับไปกลับมาเพราะว่าหลายส่วนเป็นสหชาตะก็เกิดร่วมการประชุมกันอยู่ด้วยกันเป็นไปพร้อมกันหลังจากนั้นกรรมชรูปก็เกิดทุกอนุขณะจิตหลังจากปฏิสนธิมาแล้วใช่ไหมทีติขณะของปฏิสนธิจิตก็กรรมมาชรูปก็เกิดพางค้าขณะของปฏิสนธิจิต กรรมมชโรกก็เกิดกรรมชรูปเกิดทุกอนุขขนาดจิตไม่ว่าเป็นขณะอุปาทขณะของภวังกรรมชรรปก็เกิดทีติขณะของภวังกรรมชรรปก็เกิดพังขณะพังค้าขณะของภวังกรรมชรรปก็เกิดกรรมชรูปเกิดทุกอนุขณะจิตนับแต่ปฏิสนทิจิตเป็นต้นมากรรมชโรกก็เกิดเกิดเกิดเมื่อกรรมชรูปเกิดขึ้นเจริญเติบโตมา ได้รูปอันสมควรแล้วกรรมเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดจัขโคภาษาทะกรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดโสตภาษาทะกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดคาณประษาทะกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดเชียวหาภาษาทะกรรมก็เป็นปัจจัยให้ร่างกายเป็นกายที่เป็นผมกายที่เป็นขนเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกเป็นไตเป็นหัวใจเป็นตับเป็นพังผืดกรรมก็จําแนกแจกแจงสิ่งเหล่านี้ มันเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดจากกรรมกรรมเป็นตัวจำแนกบางคนเนี่ยเกิดมามีไตข้างเดียวอย่างเงี้ยนะเพราะว่ากรรมมันไม่รู้มันลืมยังไงก็ไม่ทราบกระบวนการผลิตมันลืมใช่ไหมบางคนนี่ก็ทําให้อวัยวะเกิดมาไม่ครบพิการานะเกิดมาเนี่ยมีแ ต, มแต่มีแต่ก้อนเนื้อเฉยๆหัวนี่มันปูดเหมือนสารพัดประเภทที่จะเป็นเนี่ยแล้วแต่กรรมมันตกแต่งวิจิตขึ้นมากรรมตกแต่งให้วิจิตมากรูปร่างกาย ไม่รู้อะพอเจริญเติบโตออกมาคลอดออกมาแล้วเราทั้งหลายไม่เหมือนกันซากคนเนี่ยนะอันนี้คือโครงสร้างที่เกิดจากกรรมกรรมเป็นปัจจัยกรรมนี่สร้างกรรมนี้ตกแต่งให้แต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปมีผิวพันธุ์ที่แตกต่างกันความสูงที่แตกต่างกันน้ําหนักที่แตกต่างกันเป็นต้นเพราะว่าโครงสร้างทางกรรมเนี่ยทำให้อายุยืนให้อายุสั้น ให้เป็นผู้มีบุญเป็นผู้ไม่มีบุญเป็นที่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือเห็นแล้วคนรังเกียจเห็นแล้วคนชอบเป็นต้นเนี่ยนะโครงสร้างเหล่านี้ก็มีกรรมเป็นปัจจัยอันนี้คือความเกิดขึ้นแห่งกรร ม, มชรูปสรุปว่ากรร ม, มชรูปเกิดทุกอนุขณะจิตอนุขณะจิตไล่ตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตโดยลําดับดังที่เรารู้กันดังที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่ แล้วต่อไปจิตตชรูปเริ่มตั้งแต่ภวังลวงที่หนึ่งในอุปาทขณะก็ทําจิตตชรูปนั้นจิตตชรูปเกิดขึ้นโดยลําดับแม้แต่ภวังคจิตก็เป็นเหตุให้เกิดจิตตชรูปทวิปัญจะททวิปัญจะไม่ เ, เป็นเหตุให้เกิดจิตตชรูปจุติจิตของพารหารก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดจิตตชรูปแต่ว่ารวมๆแล้วโดยมากจิตเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปในอุปาทขณะเรื่อยมา ถ้าชาวณจิตทั้งหลายโดยมากนะถ้าชาวณจิตทั้งหลายทําให้รูปเกิดขึ้นด้วยทําให้อะไ ร, ร อ, นะอีกทำให้รูปเกิดอย่างหนึ่งนะทําให้อิริยาบถเกิดทําให้วิญญัติเกิดถ้าจิตดวงใดมีกําลังเช่นมโนทวาราวัชนะจิตชาวณจิตทั้งหลายทั่วๆไปในชาวะในขณะชาวณโดยมากทําให้รูปเกิดทําให้อิริยาบถเกิดทําให้ อะไรวินยัตเกิด น, นะพัน้าจิตดวงใดมีกำลังมากจิตดวงนั้นทำให้สามกลมรูปสามกลมกลมที่1คืออะไรนะรูปรูปเฉยๆรูปทุตัวไปคือมันสร้างเอาวินิพุทรูปเกิดขึ้นได้ชุดที่2คือทำเกี่ยวกับอิริยาบถสามารถประคับประคองให้อิริยาบถเกิดได้แล้วก็อย่างที่สามทำให้วินยัตเกิดขึ้นได้ น, นะ ถ้าทำวินยัติได้วินยัติก็เกี่ยวกับวินยัตทางกายและทางวาจาวินยัติทางกายเช่นทําให้ขยับเขย่งเคลื่อนไหวใ ห, ให้ลุกให้ให้ลุกให้ขยับให้แปรให้หันซ้ายเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งไอๆพวกวินยัติทั้งหลายเนี่ยมันเป็นผลพวงของจิตชาวายโย ธ, ธาต่ น, นะก็คือจิตที่มีกําลังสา ม, มารถทําให้จิตชาวายโย ธ, ธาตลมที่พัดทั่วสารพางกายทําให้พูดได้ ลิ้นที่ตวัดไปตวัดมาคางที่ขยับขึ้นขยับลงพวกนี้เป็นผลพวงของจิตชาวายโยธาเ ป, เปล่งเสียงดังออกมามีสายเสียงมีลมแผ่ออกมาเนี่ยะสายเสียงมันสั่นกระทบกับปุ่มเงือกเกี่ยวกับเรื่องฟันตามฐานตามกรทั้งหลายก็เปล่งวาจาออกมาอันนี้ก็เป็นลักษณะของจิตชจตชรูปนั้นจิตตชรูปนั้นสามารถทาให้รูปเกิดทุกอุปาทขณะของจิตทั่วไป อันนี้นั้นจิตตชโรปก็เป็นไปมาโดยลำดับเ่ถ้าอาหารชรรปล่ะอาหารชโรปพออยู่ในคันก็เริ่มรับสารอาหารจากมารดาเข้าไปรับสารอาหารของมารดาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็ตามที่มารดาบริโภคเข้าไปก็อาหารเหล่านั้นก็ผ่านอะไรผ่านรกนะผ่านรกก็ไปถึงกับเลี้ยงลูกทางสายสดือเด็กก็รับอาหารทางสายสะดือก็รับอาหารไป ทำให้เจริญเติบโตมัสารอาหารก็ทําให้รูปร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตกันขึ้นเติบโตกันขึ้นโตกันจนถึงโตแบบถึงทุกวันนี่ใช่ไหมทีนี้ส่วนอุตุชรูปเนี่ยนะเป็นผลิตผลที่มาจากกรรมจากจิตอุตุ อ, อ่าขอภไยผลิตผลที่มาจากกรรมจิตอาหารฉนั้นก็เหมือนกับว่ามันเป็นรูปกลุ่มที่ข้างค้างเป็นผลมาจากกรรมชรูปจิ ต, ตชรูปอาหารชรูปก็ได้ พันกาอุตูชรรปมันก็เป็นไปมันก็โตเอาพละวในที่โตจริงๆแล้วสส่วนใหญ่นี่เป็นลักษณะของอุตชรรปแต่กรรมมชรรปก็แทรกซึมอยู่ตามนั้นจิตตชรูปก็ซึมอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเหมือนกับยกแขนขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่ยกแขนเนี่ยอะไรยกจิตตชาอวายโยทำให้ยกแขนแล้วในแขนมีรูปกี่สมุทฐานสี่สมุทฐานกรรมมสมุทฐานจิตตสมุทฐานอุตสมุทฐา น, านและ อาหารสมุทรฐานไอ้ตัวที่ทําให้ยกมันอีกหนึ่งสมุานอีกหนึ่งอย่างในบรรดาจิตตชรูปทั้งหลายจิตตชรื้อรมีหลายกลุ่มไม่ใช่มีเฉพาะจิตที่ทําให้ยกมืออย่างเดียวเพราะจิตตรชรื้อรคเนี่ยทำเกิดในขนเป็นเหตุให้เกิดขนเกิดเล็บเกิดนังเกิดเนื้อเกิดเอ็นเกิดกระดูกเยื่อในกระดูกนี่มีจิตเข้าไปยุ่งหมดเลยแต่ว่าไอ้ที่ทําให้ยกมือนั้นอีกเรื่องหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เป็นสมุทฐานทําให้ยกมือขึ้นทั้นพวก จิตตชรูปเหล่านี้ก็เป็นไปแต่ถ้ามาแบ่งๆถ้าท้องอาการสามสองมาก็พอนึกออกไม่ค่อยยากเท่าไหร่คือคิดอย่างนี้ว่าผมตัวผมเองเนี่เกิดด้วยกรรมจิตอุตุและอาหารถ้าจิตตชรูปทํากิจอย่างเดียวเช่นขนผมผมผมอะไรนะผมชันเลยอย่างงี้นะขนชันผมชันเลยนะผมศีษะตั้งเลยนะะถ้าผมยาวๆมันคงไม่ตั้งเดะขนาดนั้นนะเเฉพาะที่รากมันก็ตั้งแล้วนะ ทีนี้ถ้าพวกเนี้ยเล็บเล็บก็มีสี่สมุทฐานนะฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกพวกนี้ก็มีสี่สมุทฐานแล้วก็ในสมุทฐานทั้ง42เนี่ยไอ้ถ้าจิตชะชาวายโยแผ่ไปตรงไหนมากมันจะเริ่มทากิจตรงนั้นพิเศษเต็มที่นะธาตุดินเดนยี่สิบน้ำสิบสองไฟสี่ลมหนะทีนี้อาการยืนเดินนั่งนอนหรือความเป็นไปแห่งชีวิต ทางกรรมมชร้อโจิตตชรูปอุตูชร้อโอาหารชร้อรคมันไม่เกินอยู่ในสี่ิบสองนี่แหละมันก็วนเวียนพัฒเป็นไปอยู่อย่างนี้นี่แหละอันนี้คือการเจริญเติบโตของกรรมมชร้อโจิตตชรูปโอุตูชร้อโอาหารชรื้อรคที่เป็นไปนะีจนถึงกับร่างกายของเราที่มาเป็นไปได้ถึงทุกวันมันก็ศึกษาความเกิดขึ้นของรูปทั้งหลายเหล่านี้ทีนี้ความเกิดขึ้นของนมามธรรมทั้งหลาย ความเกิดขึ้นของนามธรรมา ท, ทั้งหลายคือจิตและเจตสิกก็เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิการนะเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิการเมื่อปฏิสนธิที่จิตเกิดขึ้นนะจิตดวงถัดมาก็คือภวังนะถ้าได้ปัจจัยพร้อมจิตก็ขึ้นสู่อาวัชนะชาวนะจิตก็เกิดขึ้นนะเมื่อตาหูจมูกเล่นกายจเจริญเติบโตเต็มที่จกักขโหก็เป็นเหตุให้เกิดจกักขรทวารวิถีเนะ เ e, e. มื่อหูสมบูรณ์เต็มที่ก็เป็นที่ตั้งให้เกิดโสตะทวารวิถีถ้าจมูกเจริญเติบโตเต็มที่ก็เป็นที่ตั้งแห่งขานะทวารวิถีเมื่อลิ้นบริบูรณ์ก็สามารถทำให้เกิดเิีวหาทวารวิถีเมื่อร่างกายแต่ละส่วนต่างๆเจริญเต็มที่ก็เป็นที่ตั้งแห่งกายทวารวิถีใจที่สมบูรณ์ะนะพวกมโนพวกรูปเหล่านี้บริบูรณ์ก็เป็นที่ตั้งแห่งมโนกรรมเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความคิด เพระทางเกี่ยวกับจิตวิทยาเขาถือว่าความคิดเนี่ยมันมันแล้วแต่รูปนะเขาก็ถืออย่างนั้นเป็นหลักเช่นโครงสร้างทางร่างกายช่วงไหนอายุเท่าไหร่ร่างกายเป็นอย่างไรแล้วความคิดของคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรเขาเอารูปเป็นตัวที่บายจิตเป็นหลักนะนะโดยมากแต่ขณะเดียวกันนั้นทางธรรมะนั้นไม่ถือเอารูปเป็นปัจจัยแก่จิตอย่างเดียว อธิบายมากว่าความคิดที่เกิดขึ้นนั้นเกิดชั้งตะโดยทวารโดยวัตถุโดยอารมณ์โดยอุปนิสัยอุปนิสัยก็แบ่งเป็นอุปนิสัยภายในอุปนิสัยภายนอกอุปนิสัยภายในคือการสั่งสมมาจากตัวความคิดของเขาเองแล้วก็อุปนิสัยจากภายนอกทีนี้จากภายนอกก็จากบุคคลที่เป็นกาลยานมิตรจากบุคคลที่เป็นป่าประมิตรก็ทุกอย่างมามีการแยกจำแนกหมดเลยว่า แต่ละความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อความคิดเหล่านั้นเกิดขึ้นมันเป็นเหตุมันเป็นกรรมเป็นผลของกรรมเชื่อมโยงชีวิตต่อไปอย่างไรนันทางเรานี้อธิบายไว้อย่างละเอียดแตก่ก็การอธิบายสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรวัตถุประสงค์คงไม่ลืมการจำแนกทุกข์สัตว์ก็ให้เราจะได้ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกาหนัดจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็ได้ พระ อ, องค์ตรัสว่ายังไงนะบอกแม้แต่สมถวิปัสนาเรายังไม่ให้ยึดถือจะกล่าวไปลายยถึงอกุศลเล่าขนาดกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญแต่ไม่ได้สอนให้ยึดถือนะไปแบกยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่สอนให้เจริญเจริญให้มากอย่างเดียวนะคือเหมือนกับว่าสอนให้มีเรือและจะได้อาศัยเรือข้ามฟากแต่ไม่ใช่ล่องเรือแล้วสแสวงหาความสุขอยู่บนเรือแต่แล้วถ้าเรือนี่ถ้าไม่ขึ้นถึงฟากแล้วน้ํากระแสน้นําก็จะพัดเรือเนี่ย ตกไปในห่วงน้ําใหญ่อีกต่อไปก็หมดสิทธิ์ขึ้นฝั่งแล้วในเมื่อพิจารณาความทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมอความเกิดขึ้นของรูปธรรมของนามธรรมรูปทั้งหลายคือภูต ร, รูปและรูปที่อาศัยภูตา ร, รูปเจริญเติบโตเป็นมาได้อย่างไรแล้วนามธรรมทั้งหลายเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้เราคงเข้าใจกันเป็นดีแล้วนะว่า รูปทองของของหมูสัตว์ทั้งหลายเกิดเป็นอย่างไรอดีตรูปของหมูสัตว์เกิดอย่างไรอนาคตต่อไปถ้ารูปนามของหมูสัตว์จกเจริญเติบโตได้อย่างไรรูปที่เป็นไปในปัจจุบันนามที่เป็นไปในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยใดอันนี้คงคงผ่านได้ใช่ไหมคงโดยการศึกษาโดยสุตะก็พอเข้าใจถึงเค้าโครงความเป็นไปนะซึ่งถ้าเราจะเจริญเราก็พิจารณาตาม คำสอนที่ท่านแสดงเอาไว้นี่ลองมาดูหน้าตองหนึ่งภาษาอะไรเนี่ยตองหนึ่งเนี่ยหมายว่าเลขหนึ่งสามตัวใครเล่นไพ่มาเยอะเขาจะรู้กัน น, น, นหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะ พระโยคาวจรอีกผู้หนึ่งย่อมพิจรารณาสังขารยกขึ้นสู่ตรลักษณ์โดยเกี่ยวกับรูปสัตตกะและอรูปสัตตกะรูปสัตตกะคือพิจรารณารูปโดยอาการเจ็ดอรูปสัตตกะคือพิจรารณานามโดยอาการเจ็ดในรูปสัตตกะและอรูปสัตตกะนั้นพระโยคาวจรเมื่อพิจารณารูปยกขึ้นสู่ตรลักษณ์โดยอาการเหล่านี้คือข้อหนะึ่งนโดยการถือเอาและการปล่อยทิ้งไป 2. โดยการถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปตามวัยเอาเมื่อมันแก่แล้วมันจะไปตั้งอยู่ได้ยังไง 3. โดยเป็นรูปที่สำเร็จเพราะอาหาร4โดยเป็นรูปที่สำเร็จเพราะอุตุโดยเป็นรูปที่เกิดจากกรรม 6. โดยเป็นรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐาน 7. โดยรูปธรรมดาเกี่ยวกับรูปธรรมดา ชื่อว่าย่อมพิจารณาสังขารยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เกี่ยวกับรูปสัตตกะนะรูปสัตตกะนะถ้าพูดเป็นบาลีหน่อยนะดูที่เป็นภาษาบาลีนะตัวสุดท้ายเขาจะลงที่โตเช่นหนึ่งอาทานะนิเคปะนะโตอันนี้แปลว่าโดยการถือเอาและการปล่อยทิ้งไปเนี่ยนะข้อหนึ่งนะอาทานะนิเคปะนะโตดูบาลีประกอบด้วยจะดีสองวโยวธธุทธัตคโม ขัมโตเนี่ยนะวโยวธธุทัตทะขมะโตข้อสองนะแปลว่าโดยการถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปตามวัยข้อสาอาหารมายโตนะเป็นรูปที่สําเร็จเพราะอาหารข้อสก็อุตุมยโตรูปที่สําเร็จหรือรูปที่เกิดจากอุตุห้กรร ม, มชโตรูปที่เกิดจากกรรมห จิตตะสมุทฐานโตเป็นรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานแล้วก็ธรรมตารูปะโตก็คือรูปธรรมดาหรือความรูปธรรมดาทั้งหลายทีนี้ท่านก็ประพันธ์มาเป็นคาถาสำหรับพวกที่ท่องบาลีนี่เขาจะท่องเป็นคาถาว่าอาธา น, านิเขปนะนโตวโยวุทธคามิคามิโตอาหารโตจ่อุตุโตกรรมโตจ่าปิจิตตะโต ธรรมตารูปโตสัตตะวิถาเรณวิปสตีติเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะท่องเป็นภาษาบาลีมันจำง่ายดีก็อันนั้นคือคนคนคนคนที่เรียนบาลีมาเขาจะชอบท่องเป็นบาลีอธิบายว่าที่บอกว่าพระโยคาวจรย่อมเห็นแจ้งโดยพิสดารโดยอาการเจ็ดคือ โดยการถือเอาและการปล่อยทิ้งไปโดยการถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปตามวัยโดยอาหารโดยอุตุโดยกรรมและโดยแม้โดยจิตและโดยเป็นรูปธรรมดาก็เจ็ดข้อใช่ไหมหโดยการถือเอาและการปล่อยทิ้งไป 2. โดยการถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปตามวัย 3. โดยอาหาร4ีโดยอุตุหโดยกรรม6แม้โดยจิต7ก็เป็นรูปธรรมดา ที่บอกว่าย่อมเห็นแจ้งเนี่ยนะเห็นแจ้งเนี่ยมาจากคําว่าวิปัสติวิปัสติที่บอกว่าย่อมเห็นแจ้งเนี่ยหมายคือว่าย่อมยกส่วนนั้นๆขึ้นสู่ไตรลักษณ์เห็นแจ้งคือพิจารณาหมายคือว่ายกทั้งเจ็กลุ่มเนี่ยขึ้นสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็พิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอธิบายโดยพิสดารที่บอกว่าอาทานานิเขปะนะโตเนี่ยนะ อาธานะที่บอกว่าการถือเอาหมายถึงอะไรถือเอาแค่ไหนหมายถึงปฏิสนธิคําว่าโดยการปล่อยทิ้งไปได้แก่การตาย น, นะการพิจารณาเนี่ยนะตอนตอ น, ต, อนต้นที่พูดก่อนหน้านี้เราจะพูดว่ารูปขันห้าในอดีตชาติก็ตายสิ้นไปแล้วในอดีตชาติน่ากลัวเพรา ะ, ะเป็นภัยในอดีตชาติไม่มีสาระอะไรเลยในอดีตชาติใช่ไหมอนาคตชาติต่ตอไปเป็นยังไง สังขารก็จะสิ้นไปในอนาคตเป็นทุกขเพราะน่ากลัวนั่นแหละพบในอนาคตเป็นอนัตตาเพราะพบต่อไปไม่มีสาระอะไรเลยเพราะปัจจุบันนี้พูดแบบรวมก็เหมือนกันคืออนนี้งเพราะสิ้นไปทุกขงังเพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะทีนี้อธิบายว่าโดยการถือเอาคือปฏิสนธิและจุติอันนี้มาพูดเลยว่าการพิจารณานั้นถ้าเข้าใจความเป็นไปของรูปที่เกิดขึ้น ในภพชาติก็ถือเอารูปตั้งแต่ปฏิสนธิกรรมชรูปขึ้นมาจนถึงจุติจิตจนถึงจุติรูปโดยอาการดังกล่าวมานี้พระโยคาวาจรย่อมกำหนดหนึ่งร้อยปีด้วยการถือเอาและการปล่อยทิ้งไปถือเอาตอนปฏิสนธิใช่ไหมแล้วก็ไปจุติตอนอายุร้อยปีอนนะสรุปถือว่าทุกคนนี่มีอายุร้อยปีตายกันแล้วกันอ น, นะน ในการถือเอาและทิ้งไปเหล่านี้ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในสังขารทั้งหลายอย่างนี้คือสังขารทั้งหลายทั้งปวงคืออะไรทั้งภูตรูปและอุปาทายรูปทั้งปวงสังขารคืออะไรคือปฐวีส0 บ, ส บ, ส บ, สบอาปโป12วายโยเตโชสนนะรวมเป็น42เนี่ยนะก็ใน42เหล่านั้นก็จำแนกเป็นภูตรูปและ อุปาทายรูปมันเรียกว่าสังขารทั้งปวงสังขารในระหว่างการเกิดจนถึงการตายถือเอาแปลว่าเกิดปล่อยทิ้งไปไมยถึงตายชื่อว่าไม่เที่ยงตั้งแต่เกิดจนตายนะชีวิตร้อยปีหนึ่งเนะี่ยไม่เที่ยงเลยเพราะอะไรเพราะเป็นไปด้วยอำนาจความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเกิดขึ้นคือจากไม่มีแล้วมามีขึ้น นะถ้าสมมุติถ้าอย่างบางคนมีอายุส0มสิบอย่างเงี้ยนะถามว่าเมื่อสาสิบสามปีที่แล้วก่อนหน้านี้เขามีไหมไม่มีจากไม่เคยมีมาเลยแล้วมามีขึ้นอันนะงคิดดูนะถ้าบอกว่าเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วเนี่ยนะพี่ต่อยมีหรือเปล่าอย่างไงี้ย ไ, ไม่มีนะแต่จากไม่มีนั่นแหละมามีขึ้นนะัก็เราก็ถอยหลังนะชีวิตอย่างเช่นชีวิตของเราเนี่ยก่อนหน้า ก่อนหน้าคลอดถอยหลังไปอีกประมาณ1ิเดือนเนี่ยนะสมมติถ้าใครสมมติว่าคลอดตอนพศเอ่อ10อย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเมื่อพศศูย์เกนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาเลย น, นะก่อนพศศูนย์เ้นีถือว่าไม่เคยมีมาเลยพศศูย์เกา็น่าเดือนต้นๆนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าอยู่ในครรภ์ประมาณ8 9, 9, 10, 10, เดือน9เดือนถึงสิเดือนแล้วก็คลอดออกมาเพราะนั้นก่อนหน้านั้นไม่มีแล้วมามีขึ้นพอมีแล้วก็ตาย น, นะ เสื่อมไปนี่หมายถึงอะไรก็ตายนั่นแหละเพราะผลจากไม่เคยมีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็ตายไปแล้วเนี่ยอย่างของเราทั้งหลายนะเมื่อร้อยปีที่แล้วก็ไม่มีเราขึ้นในชะหลังจากนี้ไปอีกร้อยปีพวกเราจะเหลือกันไหมถ้าใครเขาจดประวัติศาสตร์ก็อาจจะเหลือบ้างแต่ถ้าคิดว่าไม่เหลือแล้วมีใครเอาไปอ่านน้องรูอ่านทำอะไร